บทภาชณีติกาปาจิตตีสองร้อยเไม่เจ็บไข้ภิกษุสำคัญว่าไม่เจ็บไข้ฉันพระทหารในที่พักแรมเกินกว่านั้นต้องอบัตติปาจิตตีไม่เจ็บไข้ภิกษุไม่แน่ใจชั้นพระทหารในที่พักแรมเกินกว่านั้นต้องอบัตติปาจิตตีไม่เจ็บไข้ภิกษุสำคัญว่าเป็นไข้ฉันพระทหารในที่พักแรมเกินกว่านั้นต้องอบัติปาจิตตีทุกทุกกฏเป็นไข้ภิกษุสำคัญว่าไม่เป็นไข้ ฉันปรหานในที่ภากแรมเกินกว่านั้นต้องอบัตทุกกฎเป็นไข่ภิกษุไม่แน่ใจฉันปทหานในที่ภากแรมเกินกว่านั้นต้องอบัตทุกกฎเป็นไข่ภิกษุสำคัญว่าเป็นไข่ฉันปรหานในที่ภักแรมเกินกว่านั้นไม่ต้องอบัต